อารมณ์ที่เข้าจอเข้ามาในจิตใจของเราก็มีหลายแบบแล้วก็มาอยู่ประเดี๋ยวประดาบ้างมาอยู่นานบ้่งแต่ว่าก็จะไม่มีอันไหนอยู่ถาวรเออ ม, มาแล้วก็ไปใจของเราเป็นเหมือนกับสถานที่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 มาอยู่ใหม่ๆอย่างอัตมาตอนมาอยู่พรรษาแรกๆนี่ก็จะมีอาการอย่างนี้อยู่มากคือว่าสมัยนั้นสุขโตก็มีคนไม่มากหรอกบางช่วงบางบางระยะก็จะมีแค่สองสามลูกในพรรษานี่ก็เต็มที่ก็เจดลูปเป็นอย่างนี้มาหลายพรรษาตั้งแต่ปีสองหกมาดังนั้นคนที่มานี่ก็ก็จะมากันน้อยอาคาตุ ก, กะไม่มาก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 ถ้าทระฟึกมากๆนี่เออเราก็ตอนรับทุกอย่างทที่เข้ามาเราก็ไม่ไม่ไปผักใสแล้วเราก็ร่วมมันไปผักใสไม่ได้ด้วยผู้เจ้าตรัสว่าจิตของเราเนี่ยประพัดสอนอยู่เสมอประพัดสอนเนี่ยคือว่าสว่างสวัยนะแต่ว่าบางครั้งก็มองเศร้านะก็เพราะว่ามีอาการทุ ก, กะหรือมีกิเลส